ตลจะได้ปสสูพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำชอบโซบุรีมาเลิกได้กับเพราะป่วยเป็นโรคหัวใจโรคความดันและโรคอื่นๆปีสี ท่านถ่ายไม่ออกเป็นเวลานานหมดแรงแล้วก็เป็นโรคบูบท่านจังไปตรวจก็พบวาทานเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่จึงได้รับการผ่าตัดได้อยู่มาถึงปีส6หอาการป่วยก็เริ่มเหมือนเดิมลูกกับพี่ที่เป็นกะะนัลยาณมิตรช่วยกันบอกบุญท่านอธิบายเรื่องเล่าเรื่องของบุญ ท่านก็ได้รวมบุญหล่อรูปหลวงปู่ทองคำสร้างองค์พระบุญสามพันวัดโดยที่ลูกนำเงินให้ท่านท่านก็ทำเหมือนเสียไม่ได้ลูกก็แนะนำให้ท่านทำสมาธิสอนท่านในภาวนาสัมมาอรหังท่านได้รับการผ่าตัดครั้งที่สองด้วยรคเดิมเ<อ>มื่อวันที่สามสิบกรกฎาคมสี่หก กการผ่าตัดท่านได้บอกกับลูกว่าท่านจะภาวนาสัมมาอรหังทําสมาธิไปด้วยจนกว่าจะหลับไปท่านก็ผ่าตัดตั้งแต่เก้าโมงเช้าพอเวลาบ่ายโมงลูกและน้องชายคนเล็กและพี่จะเป็นกัลยาณมิตรได้ไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านยังผ่าตัดไปเสร็จพี่จะเป็นกัลยาณมิตรขอ น, นอนพักในห้องพักของผู้ป่วย พี่ที่เป็นกรรมิตรบอกกับลูกว่าตอนหลับอยู่นั้นมีคนมาส ก, กิดพี่สองครั้งที่หัวไหล่ที่แรกนึกว่าลูกแกล้งเล่นแต่ก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในห้องแต่พอประมาณบ่ายสี่โมงกว่าน้องชายโทรมาบอกว่าพ่อเสียแล้วหัวใจหยุดเต้นหมอบอกว่าบริแรงรามพิสูจน์กระเพาะปัสสาวะถึงกระดู ท่านเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตท่านเคยมาวัดครั้งหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีถวายผ้าป่าสามพันวัดแต่ท่านก็อยู่ไม่ถึงเวลาถวายได้กลับไปก่อนตอนนี้ก็เหลือแต่คุณแม่ท่านไม่เชื่อทางนี้เลยเวลาบอกให้ทําอย่างไรเนี่ยท่านก็จะไม่พอใจแล้วมักจะต่อว่ากลับ สมัยก่อนคุณแม่เคยประสบวุติเหตุรอดคว่ำสองครั้งครั้งแรกต้องผ่าตัดสมองอแล้วท่านยังมีโรคอื่นอีกมากเช่นชาศีสษะปวดกระดูก<อ>ท่านชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดมแมลงสาบยาเบื่อหนูห้ามท่านท่านก็ไม่พอใจอท่านบอกต้องฆ่ามันเพราะว่ามันมีแต่เชื้อโรคผิด<อ>กับคุณยายซึ่งทานใจบุญ แล้วก็อยู่ในบุญมากยงกัดท่านกปัติเอามาจดการกระทำแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคติก็จะไม่เหมือนกันจึงกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่ช่วยฝันในฝันเรื่องของลูกไปด้วยนะคะคเพื่อที่จะได้ทำให้มันถูกหลักวิชา กรคุณพ่าเสียชีวิตใจท่านใสหรือมองค ะ, ะท่านคิดอะไรอยู่ท่านเชื่อตามที่ลูกแนะนำหรือเปล่าคะตอนนี้ท่านอยู่ไหนท่านทำบุปรกรรมอะไรต้องเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด ใ, ในช่วงเจ็ดวันนี้ท่านทำอะไรอยู่คือตั้งแต่วันสามสิกรกฎาคมมานี่วันที่ป8ป ท่านตามลูกมาวัดหรือเปล่าคะถ้าลูกชวนท่านท่านได้ยินที่ลูกพูดกับท่านไอ้นึกถึงบุญไหมคะแล้วท่านนึกถึงบุญออกไหมคะท่านได้บุญที่ลูกอุทิศให้หรือเปล่าคะทำยังไงท่านถึงจะไปสุคติได้คะทำไมแม่ของลูกถึงต้องผ่าตัดสมองท่านต่อต้านวัดมากนะัก อนาคตท่านจะเป็นอย่างไรคะนองชายคนที่สามได้ทําความเดือดร้อนกับครอบครัวอย่างมากเล่นการพ น, นันโกหกเอาเงินไปหลายล้านอเอาไปยมุกครบโอ้เ<อ>สียดายเงินจังเลยครับ<อ>พ่อแม่เสียใจมากลูกเคยขอยๆบวชโดยจะให้เงินห้าแสนบาทโอ้หึแต่แถวนี้ก็อยากบวชเอามาให้ตรงนี้ดีกว่า <laughs> สุดท้ายน้องชายคนที่สามก็ผิดคําพูด ไม่ยอมบวชน้องมีบุญกรรมอะไรกับครอบครัวคะเรื่องที่พี่กัลยาณมิตรหลับและมีคนมาสกิดนั้นเป็นพ่อของลูกมาบอกใช่หรือเปล่าคะถ้าใช่ท่านใช้อะไรสกิดคะท่านจะบอกอะไรแล้วทาไมท่านถึงไม่มาบอกกับลูกหรือน้องเองล่ะคะ <c oughs> ดีเหมือนกันเธอน่ารักดีลูกเสียใจที่มาสร้างบา ร, รมีช้าเพราะขาดบุญไปหลายบุญเลยทำาไมลูกมาถึงหมู่คณะช้าคะ <c oughs> ลูกมีโรคประจำตัวคือโรคคันและเป็นลมพิษสร้างความลำคัญมากลูกเคยทำบุพปปกรรมอะไรมาคะ่ะเ <c oughs> จะตั้งแก้อย่างไงคะ่ะ <c oughs> อ่านตามที่เขียนนี่แหละดีครับคุณยายลอายุแปปดปีแล้วท่านใจบุญแล้วทําบุญมาตลอดตั้งแต่สาวลูกจะต้องเตรียมใจา ก, การสูญเสียอีกใช่ไหมคะคุณยายท่านจะไปดีหรือเปล่าคะโอ้คุณยายท่านไม่ต้องห่วงหรอกท่านทําดีมาตลอดสุดท้ายนี้ลูกขอกราบให้ช่วยบอกพ่อของลูกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วง บอกท่านที่ท่านนั่งอยู่ข้างเลยป่าพูดเล่นไม่ต้องเป็นห่วงแม่และลูกๆ ล, ลูกจะดูแลให้เอง <laughs> <laughs> ให้พ่อตัดใจให้ขาด <laughs> <laughs> <laughs> นึกถึงบุญที่ลูกทำให้ท่านและนมทนาบุญกับลูกด้วย <laughs> เรารับบุญที่ลูกจะส่งไปให้ <laughs> ให้ท่านทำสมาธิท่องสัมมาหลังเพียงองเดียว นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ลูกใหญ่จะขอท่านให้ท่านกระใจลูกด้วยและลูกคิดถึงพ่อมากค่ะลูกขอญาตติดตามตามติดหลวงพ่อสร้างบุรีกมูกมขคณะปฐมที่สุดแทงทำอย่างมั่นคงไม่มีข้อแม้ใดๆค่ะอนุมัติแล้วก็อนุมโมทนาสาธุเอาละมาฟังกันเลยฟังให้ดีนะคะ <laughs> อ <c oughs> เออ <c oughs> ท่านตายยังไม่รู้ตัว <c oughs> เหมือนคนหลับลึกๆ <c oughs> คล้ายๆกึ่งฝันด้วยฤทธิ์ยา <c oughs> แล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเลย เห็นทุกๆสิ่งรอบตัวแล้วท่านก็เลยเดินผ่านอะไรต่างๆได้หมดผ่านฝาผนังห้องผ่านนู่นผ่านนี่ได้หมดจึงเอะใจเอ๊ะเราเดินผ่านมาได้ยังไงนี่ก็เลยรู้ว่าตัวเองอ่ะตายแล้วได้เห็นทุกคนที่มาเห็นได้ยินทุกคนที่พูดทุกคนแหละหลังจากนั้นท่านก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันที่บ้าน แล้วก็ได้เห็นได้ยินที่ลูกสาวคนโตที่พ่อรักมากแนะนาตามหลักวิชาลูกสาวคนนี้พ่อก็รักมากให้นึกถึงบุญได้ยินหมดเลยให้อนุโมทนาบุญแล้วให้ตามมาวัด<อ>ก็ได้ตามลูกสาวมาวัดด้วย<อ>แต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหนนะร่นัที่ตามมาก็เพราะรักลูกสาว<อ>เพราะเหตุนี้ใจท่านจึงยังไม่หมอง เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปอบาย oh. แต่ความจริงแล้วท่านควรจะได้โอกาสนี้ <c oughs> แต่ว่าลูกสาวเนี่ยทําถูกหลักวิชา <c oughs> จึงยั้งอยู่ได้ oh. แต่ว่าตอนนี้นะจ๊ะกายท่านเริ่มนนนนขึ้นมาแล้ว oh. อยู่ในบ้านนั่นแหละเป็นภู ม, มิเทวาอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลย oh. พระพบุญที่ลูกสาวอุทิศให้จึงยังไม่ได้ไปไหนทหําไมให้แล้วไปพูดตามหลักวิชาท่านไปแล้ว<อ>ขนาดนี้กายท่านนวนขึ้นและพอจะเข้าใจเรื่องบุญขึ้นมาบางบยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารั บ, รบและก็คงจะไม่มาเพราะลูกสาวคนโปรดเล่นพูดตลอดเวลาถึงเรื่องบุญบพูดเล่อยเลยลูกสาวคนนี้ เ่อใท่านได้รับทราบแล้วท่านก็กระคอยเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ยก็ต้องทําต่อไปนะจ๊าลูกเอ้ยอพูดกับคุณพ่อไปเรื่อยๆท่านอยู่ใกล้ๆนี่แหละ<อ>คุยไปนั่นคุยนี่คุยนูน่น<อ>ด้วยสายตาของกายละเอียดถ้านจะเห็นลูกสาวคนโปรดคนนี้นะี่ยกายสว่างกว่าลูกทุกๆคน<อ>จึงมักจะเดินตามลูกสาวคนนี้เป็นส่วนใหญ่ เพรเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับลูกสาวคนนี้แล้วก็ไปหาคนนู้นนิดๆหน่อยเพราะคิดถึงแต่เดี๋ยวๆกกลับมาหาลูกสาวเพราะคนอื่นกายไม่ค่อยสว่างครับน่าเป็นห่วงเดีย๋ยๆไอ้กายไม่ค่อยสว่างนี่ครับลูกสาวคนนี้กายสว่างเดินตามเพราะฉะนั้นลูกสาวคนนี้ก็จะต้องทําใจให้ใส่ใส่อย่าร้องไห้รหรือแอบไปร้องไห้ครับเพราะท่านมองเห็นตลอด่ะจ๊ะโ อ, อ้กำนาดีท่านเคยจ้างข้าคน คือท่านเป็นนักธุรกิจและก็เกิดการขัดแยงด้งโดยผลประโยชน์จังจ้างนักเลงไปแทงคู่อริซึ่งนักเลงก็ได้แทงตรงบริเวณท้องจนตาย<อ>กรบกับการปัจจุบันที่ท่านเองได้เคยขายเหล้าและก็ทำให้ผู้อื่นไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต<อ>จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษา แม่ลูกจะพยายามอาบุญปัจจุบันช่วยเพราะไอ้กรรมตรงนี้บวบบังคึกทั้งขายทั้งดื่มด้วย ก, กรรมอดีตมาบวกกันบุญในปัจจุบันจริงยังไม่ได้ช่องเต็มที่กรรมมันบดบงังนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณลูกกำลังติดตามลูกสาวคนโปรโดอยู่ส่วนพี่กระรมิตรที่มีความรู้สึกว่าใครมาสกิดนั่นเนี่ยก็รู้สึกไปเองเลยจะ ท่านไปได้มาส ก, กิตหรอกเพราะท่านยังไม่มีอารมณ์ถึงขนาดนั้นตัวลูกเองเนี่ยเคยผู้ที่ส่งเคสั์ดีมาเลยจ้ะลูกก็เคยทําบุญร่วมกับหมู่คณะมาทั้งหลายชาติแล้วชาตินี้เนี่ยบุญเพิ่งจะส่งผลจึงได้มีโอกาสมาสร้างบุญร่วมกันอีกไม่ได้มีการอะไรหลอกที่มาช้านะแต่บุญเนี่ยเขเพิ่งจะส่งผลแต่จังหวะที่เคยสร้างด้วยกันมา ก็ดึงดูดเข้ามาให้มีกัญญาณมิตรให้คนนั้นคนนี้เขาแนะนำมาแล้วก็มีศรัทธาก็อยากมาเรื่องนี้ฝันได้ฝันนะทั้งหมดี่ฝันในฝันหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าความฝันในฝังก่อนนั่งธรรมะเดี๋ยวจะฟังต่อบอล่านี้ต่อส่วนเรื่องลมพิษเนี่ยเกิดจากวิจิกรรมในอดีต ซึ่งลูกเองก็เกิดเป็นผู้หญิงเนะี<อ>่เหมือนชาตินี้แหละ <c oughs> แล้วก็ชอบพูดให้คนแสบๆกันๆใจเล่น<อ>เวลาใครพูดไปถูกใจแล้วก็จะพูดย้อนไปให้เขาแสบๆกันใครันๆจนถึงก้นบึ้งใจเลยนะจ้า<อ>ถนัดนัก<อ>กับงานในปัจจุบันนี้เนะี่ยชอบอันปัสสวะอุจจะคืองานปัจจุบันเนี่ย เอาใจไปสนใจก็อีงานปัจจุบันเนี่ยมากจนลืมที่จะไปขับถ่ายเนี่ยทำให้ไม่สนใจในการขับถ่ายของเสียก็เลยหมักหมมในร่างกายและกอบกับเป็นคนมีอัตยาสายใจร้อนใจเร็วขี้โมโหขี้เยวะด้วยมันบวกบวกกันหลายอย่างหลายๆอย่างแต่ก็มีสิทธิ์หายได้ก็ต้องปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้หาเวลาออกกำลังกายบ้าง ขับทายให้ตามเวลาตามความต้องการของร่างกายทําใจให้ใส่ใสพูดจาพเพ้อเพล้อที่จริงก็พูดเป็นนะพูดจาพเพ้อเพ้อ <c oughs> เนี่ยให้เอามาใช้บ่อยๆอย่าไปพูดใครแสบกระดองใจรวมทั้งทําบุญทุกบุญก็ให้อธิษฐานไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะหายได้จ้า <c oughs> บุญจะบันดาลให้เจอหมอดีเจอยาดีแล้วหายหายหายหายหายเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องเล็ก น้องชายเนี่ยทำไมเดืไมเดือดร้อนเรื่อยๆเลยตอนน้องชายคนที่สามจะมาเกิดเนี่ยพ่อกับแม่สี่ห้าก็บอะไรก็จะครบ oh. อยัางอดีตนะลูกนะเพราะลูกเป็นคนกินอดีตเนีฟังเป็นพล น, นี่ก็แลันครับภาวะใจของพ่อตอนนั้นก็คล้ายๆกับน้องคนที่สามตอนนี้แหละโอจึงดูดให้พูดที่มีกรรมแบบนี้มาเกิดจ้า และการปัจจุบันน้องชายก็คบแต่เพื่อนที่ไม่ค่อยดีไม่คบบัณฑิตคบแต่คนมาร์ที่มีนิสัยอย่างนั้นน่ะแหละ<อ>ก็เลยเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กระทำอาศัยความรักและปรารถนาดีต่อน้องเป็นกัละยาณมิตรให้ดูเวลาและอารมณ์ก็ค่อยๆไปแนะนํา ค, ค่อยๆชักจูงไปเรื่อยๆทีละนิตย์ลรานะี่ยต้องบอกไปเรื่อยๆแหละให้เขาออกห่างจากคนที่ไม่ดี ไล่ค่อยๆ เ, เขากลายคนดีที่คุณแม่ต้องผ่าตัดสมองนั่นเป็นกรรมใ น, นอดีตของท่านท่านได้เคยว่าจ้างคนให้ไปทำร้ายผู้หญิงเท่ไปเป็นภรรยาลับๆของพ่อบ้านในอดีตไม่ใช่พ่อบ้านคนปัจจุบันนะจ๊ ะ, โ, ะโดยการตีที่หัวให้ได้รับบาดเจ็บไปจ้างไปจ้างก็ตี ล, <ะ>ลูกสาวก็ต้องทำหน้าที่กตัญญูมิตรให้ดีต่อไปแต่ก็ต้องมีศิละปะ ค่อยๆพูดค่อยๆจ้ะในเวลาและอารมณ์มันเหมาะสมของท่านเพราะท่านรับข้อมูลไม่ถูกต้องมามันยังฝังใจท่านอยู่<อ>ก็ต้องใช้เวลาเหนื่อยกับท่านหน่อยอย่าท้อแท้ใจนะจ๊ะ<อ>แล้วก็แต่อย่าทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราไปยัดเยียดสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านพย า, ยามพูดให้ท่านเกิดความรู้สึกอยากจะมาอยากมาเองแบบไม่ได้ตั้งใจแนะนําแนะนําแบบคล้ายๆไม่ได้ตั้งใจเงี้ยนะ ให้ดูเป็นธรรมชาติให้มันแนบเนียนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะดึงท่านมาได้